ทำกันนะถ้าเป็นมิตรเป็นเพื่อนมนเสียงที่พูดออกไปจากชีวิตหนึ่งเยอะๆเลยเรามีเพื่อนมีมิตรทุกชีวิตก็มีเพื่อนอยู่กับตัวเรามีมิตรอยู่กับตัวเราเหมือนบอกผิดบอกถูกอยู่ตัวเรานี้ แล้วก็มีภายนอกมีความสนมีจริงต่างๆที่เป็นเพื่อนเราทั้งนั้นหมันบ่งบอกั้งความเท็จความจริงความพอใจก็เป็นเพื่อนอันหนึ่งมันแสดงเห็นว่าถูกหรือผิดามไม่พอใจ เหมนบอกเราว่าเกิดสิ่งที่ผิดนี้ผิดสิ่งที่ถูกถ้าเราสังเกตดูดีๆจะได้คําตอบจะดูดหลุดพ้นตอบที่ได้หลุดพ้นทุกทีก็าลบความผิดเขาลบความเขาลบความพอใจเขาลบความไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรา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 ก็ ม, มีสื่อสอน ม, าา ม, ามีตาไม่หูจะหมกเล่งกาใจถึงได้แต่บุทเรียนที่ดีแม้ความทุกข์ก็เป็นบุทเรียนที่ดีเป็นสิ่งที่เขาโลภที่สุดชีวติตเราที่ผ่านมาประสบความสุขความทุกข์ส่วนความสุขนั่นนหะ้ามันจะ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 สิ่งอื่นที่ทําให้เกิดขึ้นกับเราได้แต่ตัวเรานี่ก็มีเควางแก่ความเจ็บความตายนั้นบ่งบอกทั้งความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์มันต้าเขาลบที่ฉุดไม่ใช่ออกมาลงโทษตัวเองได้ประโยชน์เยอะแยะความทุกข์ที่เกิดจากตัวเราเนี่ย ดูดีๆมันเป็นมรรคเป็นผลเหนือก่อนเกิดแก่เจ็บตาจริงๆส่วนความสุขทิ้งได้เลยไวๆชักหน่อยส่วนความทุกข์นี่เป็นดุจหอนสอนตัวเราไปตลอดพบตลอดชาติเมื่อทาทใจเราวใดที่เราเคยมีทุกข์อยากเกยดตาย แล้วก็เริ่มไม่เป็นเป็นจริงบระดับมีคุณค่าเหมือนพระพุทธเจ้าว่าเป็นการเห็นนั้นประเสริฐคือเห็นทุกนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าเห็นจริงจรมันจะยิ่มแย่แยมใจ่ไดไม่เห็นจริงเข้าไปเป็นกับมันสาจะเศร้าหมองนิดเดียว เป็นสิ่งที่นิดเดียวพลิกกอกนิดเดียวเป็นสิ่งที่หลุดพุดอย่างง่ายที่สุดเลยดูดีๆยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติเตรียมพร้อมอยู่เสมอเหนือการปฏิบัติกันภาวนาขยันให้มีความรู้นี่ มันเป็นสิ่งที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอไม่ค่อยจะเสียเปียบบัไลยไม่ค่อยจะได้เปียบบัไลัยมีแต่ประโยชน์มองดีๆมีแต่ประโยชน์ถ้ามีเป็นนักปฏิบัติจริงๆมีสติจริงๆ ปาพุทธเจ้าจึงจงนั่นมีสติอยู่ทุกกรณียังเป็นสิ่งที่คุณถูกเป็นคุณของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีสติอยู่ทุกๆ ก, กรณีอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นว่ามีสติเป็นหน้ารอบพร้อมอยู่เสมอ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 ผักออกไปก็เสียอยากได้เข้ามาก็เสียเป็นผลกระทบต่อตัวเราเองจึงมาได้ประโยชน์ตรง น, นี้เยอะแยะอา ก, การาต่างๆที่เกิดขึ้นกับการกระจายถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเบื้องต้นเจอเรื่องนี้เข้าพระเจ้าจึงบกุกเบิกไปเลย สอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสญญัมผัญยามีสตตินี่เป็นสิ่งที่บุกเบิกไปได้เรียบลงไปเรื่อย มนก็มีแน่นอนความพอจอยความไม่พอจอยนี่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อถ้าเราเป็นนักปฏิบัติถ้าเราไม่เป็นนักปฏิบัติไม่เตรียมพร้อมก็เล่นกับสิ่งเหล่านี้ตลอดพบตลอดชอบดีใจเสียใจเป็นโศกเป็นทุกข์ปูปูแป๊บแป๊บเหมือนขึ้นนม้ม ไปเล่นกับคลื่นไปนึกว่าคลื่นเป็นน้ำเปลือมโพูความแฝบนึกว่าตัวเราซะจริงบเรา ช, ช้อยวัมชอดขึ้นชดลงชดขึ้นชดลงแต่เราอยู่ฝั่งวนฝั่งมันไม่ใช่อยู่ในน้ำจนมาถึงที่ไม่มีนม้ำจากที่มีนม้ำ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 ม่เยอะแยะไม่มีทางจนเลยชีวิต ท, ที่เราร่วมอยู่ที่เราอยู่ร่วมกันนี่มีแต่ประโยชน์เป็นครอบครัวมีลูกน้อยมีอะไรเยอะแยะลูกคนโตลูกคนกลางลูกคนเล็กทุกคนก็ทำหน้าที่ เป็นเด็กเขาก็เรียนนังสือแล้วก็ทำหน้าที่ของเขาเป็นเรื่องค้าเขาลบอโตหน่อยก็ออกทำงนานเป็นเรื่องที่หน้าเขาลบถ้าดูดีๆมีแต่ประโยชน์เป็นจริงประดับทั้งนั้นไม่ใช่เอาความรักความชัง แลวคนนั่นเกี่ยคนนี้ไม่ใช่เลยชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเช่นนั้น น, นั่นหมาเป็นใช่ชีวิตความรักความชังความพอใจความไม่พอใจไม่ใช่ชีวิตชีวิตมันถูกต้องกว่านั้นอีกก็ยังมีอยู่ใม่เห็นอย่าเข้าไปเป็นกับมัน เมื่อมันทำถูกต้องอะไรก็เรียบไปหมดเลยในโลกนี้เรียบหมดเลยไม่มีขึ้นเลยเรียกว่ามิตรภาพทางจิตวิญญาณมันเรียบเรียว่าแผนนดเรียบมนหน้าของชายแผน่นดนเรียบมนหน้าของชาย จดสนาพระจีบเวทไตรเป็นอย่างนั้นหมายถึงจิตวิญญาณที่มันเรียบไม่มีคืนไม่มีภูไม่มีแพ้ไม่มีถูกขะาไปเรียบเรี่ยบหาให้เรียบเป็นเช่นนั่นเองไม่เป็นรลยย่างหัวมัน ก็เป็นอย่างนี้มันเรียบไปเลยคืนให้มันไม่เอาไม่รับบอกคืนไม่ต้อนรับไม่มีที่อาศัยไม่ให้ค่าสุขก็ไม่ให้ค่าทุกก็ไม่ให้ค่าพอใจไม่ให้ค่าไม่พอใจไม่มีค่าสําหรับเราเราอยู่เหนือนี้อยู่เหนือโลกนี้ ไม่ใช่อยู่บนท้องฟ้าสูงสูงไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่อยู่กับโลกอย่างนี้ความพอใจความไม่พอใจกับรักของมชังความสุขความทุกข์ลงมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันจึงมีโอกาสเหนือาการเกิดเจ็บเจ็บตายดูดีๆถ้าเป็นนักปฏิบัติง่ายๆ ง, ง่ายกว่าอย่างอื่น สะดวกกว่าอย่างอื่นความพอใจไม่สะดวกเลยความไม่พอใจไม่สะดวกเลยเป็นภาระเป็นผู้มีภาระแต่ตัวเราสามารถมีภาระอันใด น, นั้นก็เป็นความสะดวกชีวิตนี้สะดวกที่สุดถ้าใช่ถูกต้องตามหลักความ เ็ศความจริงมันก็บอกเราอยู่คุณเจ้าก็สอนอยู่ตื่นขึ้นมาเราก็สะทยายคำสอนที่มันไม่มีเป็นอื่นได้ร้อมกันลองออกมาจากปากจากเสียงจากหัวใจ สเสังขาราอนิจจติญาาปัญญาปจจตินสเปสังขาราทุกขสเปสังขาาอนัตตาอยกทตั้งหลายตา้งขอวงมันไม่เที่ยงหรือว่าชีวิคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งเจนมันไม่เที่ยง น, นั่นมันเป็นทุกข์ตนยาก เกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายไปไม่มีเป็นอื่นไปได้แน่นอนจิ่งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนน อ, อ่นลายอันสิงที่เป็นสังขารและไม่สังขารสังขารคือมีชีวิตจิตวิญญาณของเคลื่อนไหวเป็น นอนเป็นหนาวเป็นจิงไม่มีสังคารหรือ ว, วิสังขารไม่เคลื่อนไหวไม่เป็นก็ไม่เที่ยงท้งนั้นก้อนหิน mm. เปล่นดินอากาศเคลื่อนไหวไม่เป็นก็ไม่เที่ยงกันลังนั้น mm. โลกโอกาสโลก ตองว่าอากาศแผ่นดินเวลามกรดเมฆดวงอาทิตย์ไม่เที่ยงทั้งนั้นสังขารโลกคืออยู่ในชีวิตเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นโลกมีสองอย่างโอกาสโลกสังขารโลกนี่ถ้าอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนี้แต่เราอยู่เหนือจริงเหล่านี้ ผู้ปฏิบัติธรอมจะอยู่อยู่เหนือชิงเหล่านี้ให้พากันอยู่เหนือชิงเหล่านี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้มันทำให้เราสูงได้อยู่เหนือได้ผมพอใจแล้วก็อยู่เหนือแล้วขึ้นมาแล้วผมไม่พอใจก็ขึ้นอกมาแล้วเหนือขึ้นมาแล้วสูงขึ้นมาแล้ว ทุกทุกคนเลความสูงจากสิ่งที่ผิดนั่นแหละถ้าพูดแล้วนะเลยความไม่ทุกจากสิ่งที่เป็นทุกนั่นแหละอย่าไปอยู่ตามมันโบราณท่านถึงว่าอยู่เมืองบนเห็นคนขี่ช้างอยู่เมืองล่างเห็นช้างขี่คนก็เหมันใจตาม คอยจะให้อะไรทับถมง่ายสุกดทับถมง่ายทุกดทับถมได้ง่ายควมลัความจังทับถมอยู่ตอลอดเวลามใช้ชีวิตไม่เปลนมาใช้ชีวิตใหม่นะวะกีวันนะวะกีวันเคยชีวิตใหม่ใหม่ขึ้นมาซะ ไม่เอี่ยมจริงๆไม่ปไมเปื้มเปื้อนกับวันลายสุขก็ไม่เปื้อนเปื้อนทุกก็ไม่เปื้อเปื่อนก็มพอใจควมไม่พอใจไม่ได้เปเปื้อนเลยหรือว่าผมมาจอนบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองนี่คือชีวิตของเราทจะีจะมีค่า แล้วก็ไม่มีชีวิตไหนที่จะมีค่าอย่างนี้ได้นอกจากคนเหล่านี้ที่มีรูปบีนนำแต่ใช่ไหมถูกก็เป็นทุกข์น่าสงสารกว่าสัตว์นั้นอื่นต้องพึ่งพาเช้จึงอื่นอย่างเก็บเวลแล้วดูนี่ก็หนาวเนี่ยต้องพึ่งอาศัยจึงอื่น จมีเพ้าหม่มไม่เหมือนไก่ไม่เหมือนวัวเหมือนควายไม่เหมือนนกเหมือนสอต้นตื่นเลยรอนก็ต้องมีที่พึ่งหนาวก็มีที่พึ่องอาหารก็มีที่พึ่งต้องหาต้องต้องมาลายแยกๆไปเลยจนหมดจากโลกไปก็มี ทั้งทั้ไม่ต้องมากกว่านั้นงั้นจินอาหารมากกว่านั้นอีกทั้งตาทั้งหูต้องจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจมันอาจจะสิ้นเปลืองกับอาหารที่เป็นระบบลิงกัอาหารคือคำข้าวที่เคลืนเข้อไปทางปากอันที่จริงที่อุบัตภคนั่นหลายกว่านี้ ันจะหมดจากโลกไปแล้วก็ใช่สิ่งที่บริโภคจริงๆไม่มากไม่ถึงกับภูเขาแผ่นดินที่หมดไปป่าไม้อะไรต่างๆจากคนว่ามันก็พออยู่พอกินก็นโลกโสาจนลดหรือขาดแขนแล้วก็ไม่ได้อะไรเลย ยังเป็นชีวิตที่เป็นขวังพอดีนี่เป็นการแบ่งปันถ้าเป็นบุญจริ ง, รงก็แบ่งปันถ้าเป็นกุศลก็แบ่งปันถ้าเป็นมรรคเป็นผลก็แบ่งปันกันนี่คือชีวิตจริงไม่ได้แบ่งปันต้องกระลึกเกิดทุกปุงเมืองหมายถึงแบ่งปันในหัวใจเรานี่ โบลาท่านจึงพูดไว้ว่าสุตตพิดกว่าผลโบกันนี้ตกลงมาผู้อยากแกเปียกก็เปียกผู้ไม่ต้องการจะไม่เปียกก็ไม่เปียกตัง้งแตที่เป็นผลตกลงมา ผู้อยากเก็เปียกก็เปียกผู้อยากไม่ไม่ต้องการเปรียกก็ไม่เปียกได้ถึงขามไปไปอย่างนั้นจริงจริงรานถ้าจึงว่าฝนตกผงจงพ้นจะมาเปียกเมืดนน้องทุงกวงกวงจะมาแหงไงผง ขนตกหนักๆจมปวกที่ต้องสูงเปียกเลยนนองเบินองแห้งๆอยู่หมถึงจิตใจของคนทุกมันบอกทุกมันบอกผู้ที่เกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นง้อเปิดเอเอาผู้ไม่ผู้เกี่ยวข้องถูกต้องก็ไม่ต้องเปิดเปื่อน พุที่มีใจสูงมาอยู่เหนือไม่อยู่กับต่ำาให้มันทับถมได้ถึงผู้ใจสูงจิตวิญญาณสูงฝึกหัดมาสูงเวลา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 พระเจ้าจึมีจดีในลักษณะนี้ทุกกรณไรกีได้ประโยชน์จากจิงที่ผิดได้ประโยชน์จากจิงที่ถูกไม่ได้ผลสารีออกไม่ได้เรียกเขามาช้องกันเอาเข้ามามิตดเสียของที่มันล่อเยอะแยะในโลกนี้ ถึงเขาจะจับสัตว์เ้วก็ไม่เหยื่อล่ออันหนึ่งร้อยเอาเข้ามาอันหนึ่งผักไก่ออกจอยเหมือนน า, จายจ่ามิสารพูดว่าฉันจะจับสัตว์เอาเหยื่อล่อมันก็เข้ามาจิ้นก็จับได้ อี่ประเภทหนึ่งให้มันได้นดอกล่อสัตว์เช็ดไก่ป่าถ้าอยากจับไก่ป่าเอาไก่บ้านเป็นล่อเอาไก่บ้านไป็ล่อให้มันขันไก่ป่านะมักจะมีเข็ดแดนของเขา เ, าเป็นการปลุกข้องกันแบบหนึ่ง เอาไก่ บ, บ้านไปขันได้เขตที่มีไก่ป่าขันอยู่เมื่อไก่ป่าตัวมันอยู่ในแดนของมันของอยู่นั่นไก่ตัวอื่นไม่ขันขึ้นมันก็มันก็โกรธมันจะมาขับไล่ออกไปเด็นอะไรอยู่เนี่ย ม, มาใหญ่ตัวนี้ทําไมวิ่งมาจะมาขับไล่มาสีซะ แล้วก็ดักบ่วงไว้เราล่อไก่บ้านแล้วมาติดบ่วงเอาก็ติดตั้งนานอันหนึ่งดึงเข้ามาอันหนึ่งครับใส่ออกไปติดตั้งนานล่อก็เสียทั้งนั้นดึงหนีออกไปขับเล่ออกไปเถวงเกียดไม่อยากได้ก็เสียทั้ง น, นั้นความพอใจก็เสียทั้งนั้นความไม่พอใจก็เสียหายทั้งนั้น นี่คือชีวิตของอยู่ในโลกเราอยู่ในโลกแห่งนี้มานานเท่าไหร่ขึ้นมาดูจริงมีจิตใอยู่ที่มีจิตใจเตรียมพร้อมดูจริงให้มีโอกาสทำงานเรื่องนี้จริงๆแม่เราทำเหรินก็เพื่อการนี้โดยตรงเราหล่ยอย่างชีวิตเราไม่มีหลายอย่าง ที่ต้องทำให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์โจคนเดินประโยชน์ต่ออะไรพระเจ้าจึงสอนพระสง์ยาตตะประโยชน์ประโยชน์ต่อยอดโลตตะประโยชน์ประโยชน์ต่อโลกคุตจอบประโยชนประโยชน์ต่อพระสาสนาะ พวกเราก็ไปเดินธรรมญาตาเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ประโยชน์ต่อโลกตีข้องล่องป่าบอกก่าวเป่าร้องไปยังรัดสมีของผู้เขาลูกนี้ทั้งล่างข้างบนเดินทางเจ็ดวันเจ็ดทื้นได้ตะวันทักสิบหมู่บ้านบอกไปนี่ที่นอนบ้างไม่นอนก็ไปพักวัด ต่างๆ ต, ต, ต่ อ, อกินอาหารกลางวันอาวุธสารเกศตรเรื่องนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมประโยชนต่อโลกประโยชนต่อพระศาสนาเราก็ได้ฝึกตนเฉียสละทร่เราอยู่ในวัดก็ทำหน้าที่นี้ช่วยกันทำหน้าที่คนลาฝักคนละฝย เป็นเดียวกันบอกกันสอนกันมีประโยชน์ตั้งนั่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับสอนตัวเราอยู่คนเดียวก็ยังได้สอนตัวเองดีอยู่คนก็ได้สอนตัวเองอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมีตรให้ระวังการกระทําการพูดกันจาได้สอนทั้งขึ้นทั้งลง พวกเราก็สนุกไปกับทั้งบรรยาตานอนกับแผ่นดินบ่าไม้ปักกดปักเต้นกันทำวัดสวดมนกลางแดดกลางแจ้งหนาวก็หนาแต่ว่ามันก็สนุกมีมียมีเพื่อนตั้งเด็กตั้งเล็กหมั้นข้าวกลว้อุ้มลูกเดินทำแมาตาไปด้วยกัน จนจบลูกสองคนพ่อว่วงคนหนึ่งแม่ว่วงคนหนึ่งเดินไปด้วยกันมีทั้งบัญญาชนระดับน้อยแพย์แพย์หญิงน ก, ตตจจกเตอร์ตจางเดินไปด้วยกัน ตั้งเด็กทั้งผู้ปันก่อนั้งผู้เท่าที่สุดคือหลวงพ่อกลมแม่แม่เพลงแม่ขี้เพลงแปดสิบแปดปีเดินไปกับเพื่อนน้องๆก็เดินเหมือนกันรู้สึกแข็งแรงกว่าอยู่วันนะความดันก็ไม่ค่อยจะมีก็อยู่อย่างนั้นนะมันธรรมชาติ มันมีมิตรมีเพื่อนก็เป็นเกิดความรักกันความทุกข์ความยากความลาบากท่านเราลักกันยิ่งกว่าความสนุกสบายความสนุกความลื่นเลืองเองนี่ยไม่มีประโยชน์รความยากลาบากแต่มันที่งกันไม่ได้มันลักถึงหัวใจก่อมหัวใจก็ไปได้ คามรักที่ได้จากความทุกข์ความยากความลำบากมาด้วยกันเนี่มันผูกผ๋วใจกันยงจริงๆได้ความรักเป็นธัตมะคือความยากลําบากไม่ใช่หลายความรักเพราอความสนุกสนานอันนี้เพื่อนร่วมกินหาง่ายๆความร่วมตายนี่คือความทุกข์ยากลําบากด้วยกันเนี่ มันเป็นสิ่งที่ผูกจิตใจไว้ทิ้งกันไม่ได้เย็นเราอยู่นี่สี่สิบกว่าปีเนี่ยมันมีความรักต่อที่ดีรักผู้รักคนรักศัตริย์สิ่งมันก็ทิ้งไปได้ถึงไป้หอบของขึ้นเขาไปแบกของขึ้นเขาลําบากมาด้วยกัน ป่ามาเวีย ع, สู้กันจนน้บากกัแบดบงกับปา่ากับอันตลายมีช้างมีเสือมีสิงแล้วก็สู้กันมาแล้วรอดมาได้เนี่ยมันมันทิ้งกันไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ก็ไกลเราไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยที่มาได้ ทิงใดพอจะช่วยแล้วก็ช่วยจนสุดหัวใจเหมือนกันมันหมดไปเอยแล้วนอนกลางแจ้งดูแสงเดือนแสงดาวมันไม่เหมือนสมัยห้าสิปีก่อนเนะแต่ก่อนเดือนหงายมองเดือนกลางคืนเนี่ยมันเห็น มันเห็นเหมือนกับตัวคนเลยอยู่ที่นั่นเขาว่ายายายายาจอมสวนเดนะือนะอะไรพวกลมเครับยาจอมสวนต่าเ่าไปเจ้าเลมองดูต้งไม่เราเดือนหงายเนี่ยเรื่องเดือนพิจิกาเนี่ยนั้นหงายกดมันใช้ขวดทุกๆเดือนแล้วดูฝนหมดใหม่ๆไม่ยังไม่มีผนเนี่ย ไปดูฝนเน่เดือนไหนมองดูเดือนเนี่ยเห็นคนเคลื่อนไปอยู่นั่นด้วยเดี๋ยววัาย่าจอมสวนทํำข้าวมาหยุดเลยนั่นอะ่ะช่วงก็ดูดูนอนชมแสงเดือนเดี๋ยวนี้ดูไม่เห็นเลยแสงเดือนอมันมีเลือนกระจกหมังไปดูไม่เห็นพอเป็นรูปผีฉุย ไม่ย่อจะวางจะไหวเหมือนเมื่อก่อนเหยือนดาวก็ไม่จะวางจะไหวต้องฟาก็ไม่ใสเหมือนเมื่อก่อนเหลือนกระจกที่เขาว่าคมไว้เหลืองจิงที่เหมือนประดับไม่โกรดน้ำก็หมดไปแล้วเมื่อมันเพี้ยนไปหมดก็กระทบกระเทือนต่อสัตว์โลก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 ยายกิดกรรมออกไปช่วยธรรมชาติจึงมีจิตกรรมธรรมญาตาปีที่ส4บสี่ตันก็ไม่มีทางไปอีกแล้วจึงตีคองล่องป่าบอกต่อไปลองตามหมู่บ้านต่างๆให้ช่วยกันลูกหลานเราจะอยู่ที่ไหนมันหมดไปแล้ว น้ําแพงกว่าน้ํามันน้ําดินแพงกว่าน้ํามันไม่เคยมีสมัยก่อนนะกินตามที่ไหนก็ได้เดี๋ยวนี้น้ํากว่หนึ่งต้องข้าวปุงวิ่งกว่าปลูกข้าวใช่ยัย ง, ง, ง 5, เครื่องวัดภูเขาทงเลยห้าแสนบาทเครื่องกองน้ำจกว่หนึ่งก็ไม่กี่ เท่าไหร่ก็เป็น10บบาท5บาทแล้วมันความวาพับของคนสบายทุกวันดีไปเหมือนเจ็หปีก่อนแล้วประมาทไม่ได้จึงเราก็ต้องช่วยกันสอนกรรมาฐานช่วยกันสอนให้คนรู้จักโลกไปช่วยโลกให้มันทันเวลาสักหน่อยที่ว่าโลกตัถริยา ยาตะตเจียทุคนต็ติญาตกันทั้งนาน้นเพื่อน ร, ร่มเกล่รมเก็บร่รตายศรัหลาจริงสามารถที่อยู่ด้วยกันได้รักกันได้ไม่เลยเลือกที่รักมากที่อย่างนั้นอ๋อก็เลยกลับมาบ้านแล้วขอโทษกับพวกเราเที่นี้ปัน